คราวนี้รู้สึกว่าฟังฟังดูแล้วสุขลงหกพอสมควรไม่เอ ก, กฉันทำไมเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้ประเทศชาติบ้านเมืองแต่ก็คอยๆดูพอเราอยู่ในเรือสะเภาลำเรียวกัน ค, คือประเทศชาติก็เหมือนกับเรือสะเภาอยู่ลำเรียวกัน จะโครงซ้ายโครงขวาเผอเผ อ, เ อ, เอยังมีผู้จะเจาะท้องเรืออีกต่างหากเพราะคนในเรือมันมีหลายระดับแต่ถึงยังไงเราก็ต้องประคับประคองเรือให้ไปถึงจุดหมายปลายทางให้อยู่ด้วยความร่มเย็นผาสุกเราจะตำหนิคนนั่นคนนี้ก็ไม่ได้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 เราไม่ไมาเห็นอีกไม่ว่าแต่มนุษย์พวกสัตว์ที่ไร้ชานก็เหมือนกันที่เขาฉายเป็นหนังให้พวกเราได้เห็นเกี่ยวกับสัพสัตว์ในโลกการอยู่ด้วยกันบางทีหมาจริงจอกัดไล่กินเก้งกินกวางลบเปลี่ยนเปลี่ยนซึ่งกันละกันสัพสัตว์ในโลก เห็นแล้วก็ไม่สีวิไลยไม่น่ามาเกิดจะทำยังไงจะทํำยังไงจึงจะไม่มาเกิดในโลกเราก็คิดไม่ถึงเหมือนกันไม่รู้จะคิดยังไงถ้ามาเกิดในโลกมันก็ต้องเจอไม่พบอะไรก็ต้องชาติหนึ่งไม่ช่วงใดก็ต้องช่วงหนึ่งอย่างช่วงของหลวงพ่อปีสองพนี่ยปดสิบแหลวงพ่อมาเกิด ก่อช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่สงครามญี่ปุ่นเพิ่งหายไปหยกๆยกเหมือนกันตั้งแต่2 4 0 0 44ส่อสงครามอยู่สปีสงครามญี่ปุ่นกับเยอรมันตีพวกอังกฤษแถบแถบนี้สารวนวุ่นวายไปหมดได้ยินแต่พกโยมพ่อโยมแม่พก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 แต่ถึงยังไงต่างคนก็ต่างพยายามคิดว่าสร้างสรรสร้างสรรให้ได้รับความสุขทวนหน้ากันแต่บางครั้งก็คนหนึ่งคิดปิดอีกอย่างหนึ่งเพราะนั้นสรุปแล้วก็ในหลักธรรมคำสอนหรือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลกถ้าเราได้ศึกษาดูแล้วมันเป็นมาอย่างนี้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 ให้ทุกใครจนยังไงก็ให้มีเมตตาต่อกันคนที่ด้อยกว่าผู้ที่มีกำลังเหนือกว่าก็ต้องให้ความอนุเคราะห์ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านสอนอย่างนั้นถ้าหากว่ามีอะไรเกิดขึ้นในหลักของพุทธศาสนาท่านกว่ามีอะไรอัปริหารนิยธรรมทำเป็นไปเพื่อความเจริญโดยส่วนเดียวเรียกอปริหารนิยธรรมมีเจ็ดอย่าง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 เราคงจะมองหาช่องทางได้เพราะนั้นเราควรจะหนีออกจากเวียงวังฮะอันนี้แหะคือความคิดของสิทธัตถะที่ท่านหนีออกจากเวียงวังออกจากพระราชวังกรุงกระบนลพัทจากนั้นท่านก็ไม่ได้บอกใครเพราะท่านตั้งใจจริงท่านก็บอกแต่นายชนะคนเดียวจากนั้นก็ให้นายนายชนะเตรียมม้าขันธ ก, กะคือมา้าทรงของพระองค์ พอถึงเที่ยงคืนเตรียมออกนะเตรียมม้านะพอถึงเที่ยงคืนชินธถาก็ขึ้นหลังมาเลยนายชนะก็เกาะขึ้นหลังมาซ้อนท้ายเลยเม้ากันากาก็บึ่งเลยออกจากเวียงวังถกรุงเทพและพัฒน์วิ่งที่ไหนตัวที่ไหนจนถึงแม่น้ําโนมา น, นาทีเขตแขวงกรุงราชคกุร ก็ห่างไกลพอสมควรจากนั้นพระองค์คือทรงสงรนวดฮะทรงบวชพูดง่ายพอไปถึงแล้วก่อนพระองค์ข็ลงจากหลังมาไปนั่งอยู่ที่โขดหินพิจารณาพระองค์อย่างนั้นก็ได้เอาพระแสงดาบพระแสงดาบพอสว่างแล้วก็จับพระโมรีคือผมจับผมขึ้นมาพอผมป็ดมว้วน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 กำลังจะเดินทางมานะท่านบอกว่าเราไม่กลับเฟียงวางอีกแล้วถึงยังไงเราก็ต้องตายข้างหน้าเราจะไม่กลับเพียงวางโดยเด็ดขาดถ้าไม่ได้ตัดรู้ไม่ได้บรรลุธรรมอย่างที่เราต้องการอย่างที่เราตั้งใจปรารถนาเราจะยอมตายดาบหน้านนี้คือความตั้งใจของศิริธรรมเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวจากนั้นพระ อ, องค์อพอในชนะกลับไปแล้ว พระ อ, องค์ก็อยู่ตามลําพังค่ะอยู่ตามลําพังพระ อ, องค์นึกในใจเลยพระศิธฐ์ถักลับไปแล้วอยู่องค์เดียวอยู่ในฝั่งแม่น้ําอโนมาพระ อ, องค์บอกโอ้ทำไมเราเป็นอิสระเหลือเกินน ะ, <ฮ>ะเหมือนกับคนที่มีเป็นหนี้แล้วก็ใช้หนี้หมดเหมือนกับคนที่เป็นโรคแล้วก็หายจากโรค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 ที่สะดวกสบายมาอยู่ในป่าโดงพงไพ่ก็นั่งมานั่งเจา้านึกคิดหน้าเศร้าเงาหงอยบ้าเวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าคิดถึงบ้านฮะโฮมซิกนะบางคนไปแล้วโฮมสิกเหมือกนคิดถึงบ้านแต่ศิริธารเนี่ยกลับตรงกันข้ามท่านวอาโอ้เป็นอิสระเหลือเกินที่เรามาอยู่ในป่าอย่างนี้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 เพราะสมัยนั้นมีนักพลดนักบวชมีมากไปบิณฑบาตไปหาขอทานไปหาขอกินพูดง่ายๆพราะไม่ได้ทำไรทำนาค้าขายแล้วก็ต้องอาศัยชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นจะได้ศรีรษาท่านก็อุ้มบาตรเข้าไปในกรุงราชคือพอไปแล้วก็คนก็ใส่บาตรเขาก็ไม่ได้ใส่บาตร ใ, ใส่หมกใส่ห่อใส่ถุงพลติ ใบไม้ห่ออย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายไปบินท่าบาทคนสมัยนั้นเขาง่ายๆเขาเห็นโอสถมณะมาขออาหารไปลงไปใส่บาตรให้ท่านคนทั้งหลายก็ลงมาผู้มีศรัทธาเขาก็เห็นจะผู้ทาบุญคนใจบุญก็มีจากนั้นเาก็ตักข้าวใส่บาตรอาหารใส่บาตรเขาตักเลยละ่ะถ้าแกงอะไรตอกแกงอะไรตักใส่บาตรเลย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 ช้อนเงินช้อนทองอีกต่างหากสำหรับกับข้าวปลาเนตบรรจงที่เขามาถวายพระ อ, องค์แต่บัดนี้อาหารรวมลงอยู่ในบาทครบไปหมดทุกอย่างทั้งหวานทั้งข้าวทุกอย่างอยู่ในนั้นพระ อ, องค์มองมในบาทแล้วให้ายๆว่าจะฉันไม่ได้ละจะสวยไม่ได้แล้วเพราะอาหารไม่อย่างที่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยสวยไม่เคยกินมาก่อน กินไม่ลงนมองดูในบาทแล้วแต่จะทํำยังไงได้ตัวเองเป็นนักบวชเนีสิท ธ, ธิ์ท่าท่านก็สอนท่านเองเลยสิทธิ์ท่ท่านสอนท่านเองนะแต่ไม่ได้สอนคนอื่นสิทธิ์ท่สอนตัวเองสิทธิ์ท่าตะก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชาต้องอยู่แบบราชาแต่บัดนี้เธอเป็นนักบวชเลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นเมื่อเขาให้อาหารอย่างไร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 คงจะไม่มองอาหารฉันฉันชันไปเรื่อยอิม่มมาเพราะอิ่มเสร็จแล้วก็นะล้างบาตอะไรเสร็จเพราะท่านยังไม่มีอุปถากรนะ่างบาตอะไรเสร็จเรียบร้อยท่านก็มานั่งคิดเราจะอยู่ยังไงเรามุ่งหวังอะไรท่านก็ศึกษาเลยค้นคว้าเลยท่านคิดยังไงดีก็ทําอย่างนั้นเพราะที่สุดบางทีอดอาหารทานอาหารอิ่ไม่ทานอาหารเลย บางทีอ่านฐานให้ เ, เต็มอิม่มบางทีอดอาหารถึง49วันเห็นไหมในพุทธประวัติอดพกยอาหารถึง49วันไม่ทานอาหารนี่แหละอันนี้ก็คือการบำเพ็ญของสิทธถะถึงหปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิดทรมานกายบ้างพอใ น, นสุดเอ๊ทรมานกายนะั้นไม่ใช่มันคงจะเป็นทรมานจิตมากกว่าจากนั้นพระองค์ก็ได้ไปศึกษากับดาบทสองท่าน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 พระองค์ก็ไ ม, ไม่รับไม่รับไม่รับเป็นอาจารย์แทนท่านดาบด ท, ทั้งสองทั้งขมาบําเพนพระองค์เองอีกต่างหากเนีลองผิดลองถูกลองถูกรองผิดจนถึงวันจุดท้ายวันเดือนหกเพนหกปีพระองค์ได้นั่งคัดสมาธิในวันนั้นขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรง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 อยากมาถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นของเราทนะท่านบอกว่ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดานะมันหลุดได้ง่ายมันหลงได้ง่ายมันลืมได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายให้บริกรรมพุทโธนะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้มีพุทโธสามทับด้วยนะอันนี้ก็คือกรรมฐานหลวงปู่มั่นที่ท่านสอนจิ์ญาณุสิ์ของท่านแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อบอกแนะนาไม่อีกว่าให้พวกเราทดลองนับดูนะ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 นับไปถึงสิบมันหลุดไปแล้วแสดงว่าสติของเราเนี่ยเอไม่น่าไว้ใจลนะนับทต่เลยก็เผลอเอาเผลอเอาลงเอาเอาบางทีเพผลอหายใจเข้าเป็นคู่หายใจออกเป็นขี้เอคู่ขี้คู่ขี้ทั้งที่ไปเจอเป็นขี้คู่ขี้คู่สลับไปคู่ขี้ทีไหนถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราไม่น่าไว้ใจในตัวของเราต้องพยายามตั้งต้งตนใหม่ให้แข้มแข็ง ยังและวิธีการวิธีการฝึกตนเองให้ภาวนาแล้วเวลาขาก้าวเดินของมันขาขวาพุทธขาซ้ายโถพุทโถพุทโถพุทโถพอก้าวไปแหลเปพล่เข้าผลี่สุดขาซ้ายพุทธขาขวาโถเนี่ยทั้งที่ทั้งที่ขาขวาพุทธขาซ้ายโถพอเดินไปเดินไปมันหลงสติขาซ้ายขาซ้ายพุทธขาขวาโถ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 จิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งได้แล้วนั่นละเราจะรู้รถของพระธรรมโอ้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ยังไงท่านจึงมาสอนพวกเราให้ได้รับมรรคผลอย่างนี้นี่แหละขอให้พวกเราลูกหลานทุกคนนะตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเอาจริงเอาจังเวลาใหม่ๆตั้งนาฬิกาถ้าใหม่งั้นมันทะเลถลย ถ้าไม่ไม่ตั้งนาฬิกาบังคับตัวเองนะบางทีนั่งเผลอโอ้เรานั่งนานแล้วะมันเท่าไหร่มันสองสามชั่วโมงมั่งเลยที่ไหนได้เพิ่งสามสิบนาทีเพราะอะไรพนาฬิกาเดินช้ามากว่างั้นเถอะเวลาเราประกอบคุณงามความดีเนี่ยน ะ, ะถ้าเราไปนั่งคุยกันบางนั่งไฮโลบังนั่งเล่นไพ่บังแป๊บเดียวเท่านั้นนะ